มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรโคตมีวัฏฐ า, านปัญหาที่สามถามว่าพระประชาบดีโคตมีถวายผ้าสาดกพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าให้ถวายแก่พระสงฆ์มีผลเลิศสังขรัตนามิประเสริฐกว่าพุทธรัตนะหรือ ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนผู้มีปรีชายานสมเด็จพระาศาสดาจารย์มีพระพุทธดีกาตรัสแก่พระมหาปชาบดีโคตมีเมื่อนำคู่ผ้าสาดกมาถวายแก่พระองค์ว่าให้ถวายแก่พระสงเิดจะได้ผลอันเลิศ ชื่อว่าได้บูชาแก่พระตถาคตและได้บูชาแก่สังขารตนะทั้งสองประการนี่แหละคำสมเด็จพระาศาสดาจารย์ตรัสไว้ถ้าจริงอย่างนั้นแล้วพระสังขารตนะจะมิมีผลเลิศมีผลหนักเป็นครูเป็นอาจารย์และเป็นทคกษินายบุคคลยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือประการใดและคู่ผ้าสาดกนิไซย พระมหาปชาบดีโคตมีผู้เป็นเจ้าแม่นา้าได้เพาะฝ้ายและสะสางดีดประชีกรอทอเป็นผ้าสาดุกด้วยพระหัตเองแล้วและนำมาถวายแก่พระองค์ถ้าหากว่าพระองค์ประเสริฐเลิศดีกว่าสังคารตนะแล้วจะมิทรงอนุ ญ, ญาตให้พระมหาปชาบดีถวายแก่พระองค์หรือนี่พระองค์คงจะทรงเห็นว่าสังคาัตนะประเสริฐกว่าพระองค์ จึงได้ตรัสแก่พระมหาปชาบดีให้ถวายแก่สง์พระผู้เป็นเจ้าจงวิสัญนาให้แจ้งก่อนพระนักเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารซึ่งสมเด็จพระศาสดาจารย์มีพระพุทธดีกาแก่พระมหาปชาบดีให้ถวายคู่ผ้าสาดกแก่สงนั้นใช่พระองค์จะทรงเห็นว่าถวายแก่สง์ จะมีผลดีกว่าถวายพระองค์หาไม่ได้ซึ่งมีพระพุทธดีการตรัสให้ถวายแก่สงนั้นไซด้วยทรงพิจารณาเห็นประโยชน์ในอนาคตตการว่าถ้าพระธถาคตเสด็จนิพพานล่วงลับไปแล้วมหาชนทั้งปวงที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังจะได้เคารพนบ น, บนอบแก่พระสงฆ์พระพุทธองค์ประสงค์จะยกย่องคุณแห่งพระสงฆ์ให้ปรากฏต่อไป จึงได้ตรัสให้พระมหาประชาบดีถวายคู่ผ้าสาดกแกสงด้วยประการนี้ยะถามหาราชะขอถวายพระผ่อนบอพิษพระราชสมภารอัตมาจะอุปมาให้ฟังเปรีบประดุดดังบิดายยังมีชีวิตอยู่บุตรคนใดที่มีคุณวิเศษสมควรจะยกย่องก็ยกย่องไว้ในที่ประชุมชนเป็นต้นว่า ในสำนักแห่งพระราชามาหากษัตัิย์ณ่าำกลางหมู่อมา ร, ราชพัฒนายประตูและหมู่โยธาด้วยประสงค์ว่าต่อไปภายหน้าคนทั้งหลายจะได้เคารพยำเกรงบุตรของตนข้อนี้มีอุปมาฉันใดก็เหมือนสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคทรงพิจารณาเห็นประโยชน์อนาค ต, ตการจึงได้ทรงประกาศยกย่องคุณแห่งพระสงฆ์ไว้ให้ปรากฏ เพื่อปัจชิมาชนะตาชนในภายหลังจะได้กระทำสักการะบูชาใช่ว่าพระสังฆรตนะจะประเสริฐเลิศกว่าพระมหาการุณาด้วยเหตุเพียงเท่าที่ให้พระมหาปชาบดีถวายคู่ผ้าสาดกนี้ก็หาไม่ได้ยะถามหาราชะอันหนึ่งเล่าดุราณะบพิษพระราชสมภารอตมาจะขอถามเหมือนว่า บิดามารดาป้อนข้าวอาบน้ำประคับประคองบุตรให้กินให้นอนให้ผ้าผ่อนท่อนสบายแก่บุตรเป็นต้นบุตรนั้นจะเรียกว่าประเสริฐกว่าบิดามารดาของตนเพราะเหตุบิดามารดาอุปถรัรมบำรุงเพียงนั้นได้หรือประการใดนะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาคเษนผู้ประกอบด้วยยานปรีชาบิดามานดาพระคับประคองบุตรของตนมีป้อนข้าวและอาบน้ำเป็นต้นก็ด้วยความจำใจเพราะเหตุว่าบุตรเกิดมาแต่อกจะละทิ้งเสียไม่ได้แต่ว่าบุตรนั้นมิได้ชื่อว่าดีกว่าบิดามารดาหรือบิดามารดาเคารพต่อบุตรด้วยการเลี้ยงดูรักษามีประมาณเท่านี้นะพระผู้เป็นเจ้า พระนาคเสนจิงถวายพระพรอุปมายต่อไปเล่าว่าเอวเมวโคมหาราชข้อความนั้นฉันใดก็เหมือนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสให้พระมหาปชาบดีถวายคู่ผ้าสาดกแก่สงก็เพื่อจะทรงอนุเคราะห์ให้เป็นไปในอนาค ต, ตการจะได้ชื่อว่าสังคารตนะประเสริฐกว่าสมเด็จพระาศาสดาจารย์ด้วยตรัสชนี้ก็หาไม่ได้ ยะถามหาราชะอันหนึ่งเล่าดูราณะบพิษพระราชสมภารอัตมาจะอุปมาให้ฟังอีกเหมือนอย่างว่ามีบุรุษคนใดคนหนึ่งนำสวยสาอากรมาถวายแก่พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ก็พระราชทานสวยนั้นแก่บรัชบุรุษคนใดคนหนึ่งจะเป็นพลโยธาหรือปุโรหิตก็ตามทีอปินุขโขมหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเมื่อพระมหากษัตริย์เจ้าพระราชทานสวยอากรให้เช่นนี้จะว่าบุรุษผู้รับพระราชทานนั้นดีเลิศประเสริฐกว่าพระมหากษัตริย์หรือประการใดนะบพิษพระราชสมภารราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชองการดำรัสว่าณหิพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนสมเด็จพระมหากษัตริย์ พระราชทานสวยสาอากรแก่บุรุษคนใดก็เพื่อจะยกย่องผู้นั้นให้ปรากฏจะว่าประเสริฐกว่าพระมหากษัตริย์นั้นมิได้นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงอุปมาต่อไปเล่าว่ามหาราชาดูราณะบพิษพระราชสมภารข้อความนี้อุปมาชั้นใดก็อุปมาเหมือนสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสให้พระมหาประชาบดีบูชาสง์ ก็เหตุจะทรงยกย่องสงเหมือนพระมหากษัตริย์พระราชทานสวยฉะนั้นอปิจัมหาราชั น, นึ่งเล่าดุราณะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระศาสดาจารย์ทรงพิจารณาเห็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้ควรบูชาอยู่แล้วโดยปกติพระตถาคตจักบูชาสงฆ์ด้วยของอันเป็นส่วนของพระตถาคตเองดังนี้พระองค์จึงได้ตรัสให้พระมหาปชาบดี ถวายผ้าคู่สาดกแก่สงอีกประการหนึ่งดูราณะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมครูเจ้านี้พระองค์ไม่ได้พนานายกย่องพระองค์เองถ้าใครควรแก่บูชาพระองค์ก็ยกย่องผู้นั้นอันหนึง่งดูราณะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระศาสดาผู้เป็นวิสุทธิเทพพยดาหาเทพพยดาอื่นเปรียบไม่ได้ เมื่อพระองค์จะทรงยกย่องความปฏิบัติของภิกษุผู้สันโดษมากน้อยพระองค์ได้ทรงสันเสริญไว้โดยธรรมทายาธบริยายอันมีในคำภีมัชชิมะนิกายว่าอสุเยวะปุริโมภิกขุพระภิกษุผู้อยู่ในเบื้องหน้าแห่งพระตถาคตองค์นูนเป็นผู้ควรบูชาและควรสันเสริญโดยยิ่งดังนี้ดูราณะบพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระาศาสดาจารย์เจ้าแห่งเรานั้นประเสริฐโดยแท้หาผู้เสมอไม่ได้ในสัตว์นิกายควรที่จะรับทักขินาทานแห่งชนทั้งหลายหาผู้เสมอไม่ได้อันนี้ก็สมด้วยเทวพาษิทธ์ซึ่งมานวะคามิกะเทวบุตรกล่าวไว้ในที่เฉพาะพระพักสมเด็จพระมาหาการุณาอันยกขึ้นร้อยกรองเป็นพระคาถาไว้ ในสังยุตตนิกายว่าวิบุโลราชะขห ย, ยานังทิริเศษรษฐปรวุจจติเศโษหิมะวะตาเศษรษฐอาทิจโจอคค า, ามินังสมุโทโนทีนังเศษรษฐะนักขตานันจจันทิมาสะเทวกัสสะโลกัสสะพุทโอะอโคติวุจจติอธิบายความในคาถานี้ว่า บรรดาเขาทั้งหลายที่มีในประเทศราชเครนคร น, นั้นเขาวิบุญบรรพชนนั้นปรากฏว่าประเสริฐกว่าถ้าจะว่าข้างฝ่ายเขาหิมพานเขาชื่อว่าไกรลาสนั้นประเสริฐกว่าเขาทั้งปวงอาทิจโจส่วนพระอาทิตย์นั้นเล่าก็ประเสริฐกว่าสัพพสิ่งทั้งหลายบรรดามีในอากาศเวหาสมุทโทอันว่ามหาสมุทอันใหญ่กว้าง ก็ประเสริฐกว่าแม่น้ำทั้งหลายจันที่มาบรรดาดาวทั้งหลายที่มีในอากาศพระจันทรเทวราชประเสริฐที่สุดพุทโธอันว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอักโคก็ประเสริฐกว่าเทพพ ย, ยดาและมนุษย์ทั้งหลายในสากลละโลกหาบุคคลใดจะเปรียบเสมอมิได้ตังโขงปณะนะดูราณะบพิธพระราชสมภาร ถ้อยคําของมานวะคามมกะเทพปบุตรภาสิทธสันเสริญเป็นคาถาไวฉชนี้คาถานี้เป็นของมานวะคามมกะเท พ, พบุตรได้ร้อยกรองด้วยดีเป็นคาถาสุภาษิตจะได้เป็นทุพาศิทธหาไม่ได้สมเด็จผู้มีพระภาคก็ทรงอนุมัติตามอันหนึ่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็ได้กล่าวไว้ว่าความเลื่อมใสที่ปรากฏขึ้นในใจ ก็เป็นส่วนหนึ่งความที่ถึงสารณคมหรือกระทําอัญเชลีนอบน้อมก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการกระทําอัญชลีนอบน้อมแก่พระพุทธเจ้าผู้กําจัดเสีแล้วซึ่งมารคือกิเลสสามารถจะยังบุคคลนั้นให้ข้ามพ้นจากสังสารวัฏได้อันหนึง่งดูราณะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเทศนาไว้ว่า พิกเขเวดูกระสงฆ์ทั้งหลายบุคคลจำพวกหนึ่งเกิดขึ้นในโลกนี้ย่อมเกิดมาเพื่อจะให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเป็นอันมากตลอดทั้งเทวดาและมนุษย์บุคคลจำพวกนั้นได้แก่สมเด็จพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้เพราะเหตุนั้นมหาบาพิษพระราชสมพานจงเข้าพระไทัยเถิดว่าสมเด็จพระพุทธเจ้านี้ เลิศประเสริฐกว่าสังครรตนะเป็นแท้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินได้ทรงฟังก็ทรงพระโสมานัดตรัสรับคำของพระนาคเสษน์ด้วยอาการยินดีจบโคตจะมีวัฏฐานปัญหาเป็นคำรบสามเท่านี้มีเชิงอัดปัญหานี้ไม่ทราบว่าอยู่ในวักไหนปัญหาที่หนึ่งที่สองที่สี่และต่อไปก็ไม่ปรากฏ แต่บอกไว้ว่าปัญหาที่สามฉบับที่แปลลงในหนังสือธรรมจักสุยกไปไว้ในพวกเมนดะปัญหาต่อทวินังพุทธานังโลกาณุปัตชนะปัญหาที่แปดในฉัทวัตแต่ฉบับที่พิมพ์ในสมุดเล่มนี้คงไว้ตามฉบับภาษาบาลีจบเชิงอัดจบโกตมีวัฏฐาทานปัญหาที่สาม